เขาพ่านมาผ่ามาบางพาะกุลท่านนี่ยบางพาะกุลน้ำกุดคนละพืนละพื้นละพื้นละพื้นละพื้นเนขอความซาท่านเคยเห็นไหมเขาทำอย่างนี้ทางอิสานเขาเอามาเป็นไม้ไม้เลยท่านอาจารย์มหาท่านโตท่าสไม่ใช่คนละพื้นอย่าง น, นี่ดอก อีกละบาดได้กระได้พุทธเากระดินว่ได้ดียวๆันเถอะถ้าเอามาเป็นไม่ๆมเลยไม่เอามากุศลผืนละผืนอย่างนี้ดอกมัดมันทางไปคันไปเห็นเท่ากับชามาได้หรอที่ยุ่ากยุ่ากานี่กัเข้ามาายุ่ผีพันเขียนหนังสือาหาเพิ่นได้เป็นพวกคู่ข้้งหลัง เคยให้เขาฟังเนี้ยก็เขาได้เขียนดานเขามาให้ผมเป็นคณะจังหวัดผมก็ม่เป็นเจียจึงมาหาบูให้บบไงผู้เฒ่าเขียนว่าอย้เง็นวิวัวอยู่ท่านพัะคารนอนถือถือพัดอยู่เดี๋ยวพัดจะตกถูกตาทนพัะคารด้วย เรอหเขาอาชีพเาอาชีมันหลุดมือมันเคลื่อนหลับผมไม่ได้ติดอยู่ในพัดดอกพัดผมก็บอกใ่้มันอยู่ในกุฏิผมก็ออกวิเวกเพิ่เทศมากเพินเขียนมาแต่ว่าหั่น คามหาเฮาเนี่น่สิ่ถือเป็นรื่เกียดของข้อมองมิทาเนี่เราเข้าลบอยู่ด้เพราลบเมื่อพอมว่าท่านอาจารย์มหาอยู่เด้เถียงกับวา่าเถียงกับพมีเขียนข้ามห้องเถียงทีนึงข้าห้องลบเมื่อพอมครูเข้าพร้อมคนที่สรองบทวน ข้าวนั่นสิบปีกลัวมากแล้วล่ะสิบสองสิบสามปีคนอยจจะข้าวหาพายังอยู่คนนิมนต์ท่านว่าเบิงงานนํำเน่้ช่จะกี่ยางโดยฟีเถ่าที่ก็หามมุตทหารเนี่ยขางโดยฟีเถ่าออกจากไปผมก็เห็นจีนนี่นี่ไม่โลงนี้ยังพม่ากุญแจมา ล่วงระบวังปูระหวงกิว้วอ่างเ่อันนี้มันร่วงเงี่ยคนร้่วงหมอมุวยหมูมันแร่หัวนช่ไหถ้าใอยกันเฮ้าออ่างเงีไอเจ้นี้ต่อไปไปยันสิบเอ็ดหมื่นหนึ่ ง, ง, ง, ง, งดอกสิ่ เ, เดเฮ็ดงานอร่าเตกเอาเรียบไห้เลากนี้ว่าพ้าพอแม่พูดจ่าเ่ลลบเมื่อพอเราขู่เข้าพอ ลอยผ่านำดับอู่ผู้อยู่เขาพอไปบินถบาดพ่านตลาดในมกดาหาอยู่เนื้บวงลงระบำปูระบำกิ้วมอมัดมอมมวยก็อยู่ในวัดนี่คือทับคือถมหลายแค่ผมเองโคจรผมอยู่ในธรรมในเหี้ยบในผู้ผูในเขาออกมาจ่ายเทากันหมดละคุนอยบอข้ใจู้แล้วคนอยจะตายเขา แต่มาหานี้กเขาก็บอเห็ดดอกบ่หม้มวยไว้ในวัดว่าก็บอเห็ดทั้ดอกทงดอกหน้าคนว่าก็เป็นพระทํามายศแท้ๆนะระวาโปูระวางิ้วก็ยอะแน่ น, นีมาได้ยินไหมสองนั่นเขสาส่นาโอ้พรมแดงน้วยนะพระมแดงที่จัดสั่คนอรที่ใส่หน้างเลิกไปเฉพาะที่ถือิีผิดดอกว่า อันเพระอพุทธศาสนาที่เอาเงินเลิกดากเลิก่นมาบำรุ่งก็เขาตีมัดตีมวยเฉียนแข่าหักแขวรลั่นกระมี่เจีนแขนหักกระมี่จังสิใน้่าบำรุ่งพุทธศาสนาพุทธศาสนาหายสิ่งแต่งจำโพดหรอกนะสิก็ที่เป็นที่พิ่งของโลกใดตรงไหนคนเราเลยจะหาเลยว่าคำนันเ่ไรก็บอเอาไปหย่างไรพอมีอาภิชาตมามนั้นใดจำใดยอมเลยว่า คนใหย่เ่มมาทีจะิจิตรเอาเงินเขาเหลิอกลเหลือไหวในวัดในฮว่ามาบารุงศาสนาไปจังสิเป็นศาสนาไปได้ก็เอาเงินหมอมัดหมอมุย ม, ม, ม, ม, มาบำรุงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไปจังสิเป็นไปได้พุทธศ า, ษ า, ษ า, าสนาหาจินยามแต้มตั ม, ตมโพตัวฉัน คนอยกากอาย่อน่อยไม่อยากนี่อย่างนี้่อนอยากเื่อไหร่ก็วัดพอหน่อยพวัดพอแมู่้จามจก่อนยสิเอว่าอียัาง้อีสิบเอ็ดมือสิเบิ้งให้เขาเบิงหนาแล้วพกผาดำๆทำทาทำท่ามท่านั้นมาตายนั่ระบำปูระบำปิ้วก็มัวม้อยยื่นอย่าน้ช่ผมันนะบูผมพี่เนี่นี้แหละูเจอะ เขาเอาไว้ท่ดไปแล้วเขาก็เลยออกมาพอเขาออกมางูแตกออกบิ้ดงูยังหันจก 30, ักสามสิบพันขึนได้ตั้งเอาไม้ขึอนได้กอไม้ชุ้มไม้ได้ไปชุ้มอันนี้ออกมากล้วก็ไปจะคุ้นจะคุ้นถ้าไมเกดีพุ่นในอุดอรเข เ, น, เนี่ยเป็อุปสรรคใน้หมุนมาหมุนมาพระแตกออกไปแล้วมี่ยูเขาน่อ ย, อยไช่ เพื่นก็ออกซื้อห้อเลยเป็นหัวหนา้าโมไล่ลเลี่ยงหัดฟ้องเราทำงานชกกระโปกกรรมาฐานเขาก็ไม่อยู่แล้วมันคล้ายหน้าเขา <c oughs> เขาก็ต้องเหนน่มาแเพืน่นางานช ก, กกระโปรว่าเพื่นเราบอกวาแนเพื่ในด้ดาเจ้าคุณมหาภารพรหรือไหมดาเพื่นในการขํามเอี่ยมพรหรอไหมบานนี้ปาซ่องเจ้าของ<ป>รหรอวันเนาะ แต่คนนัาไม่เกียวทีนี่ใสยข้าวมันเป็นบักข้าวตาดิบบักบัก้กาวตาเดียวถ้าพ่อขามูมาได้เนี่ยฮะเนี่ยเข้าไปเห็นมูเรื่องพอหน้าแกก็บมันนไก่เป็นไก่เทัน ท, ทีล่าเนี่ละ่ะออกไปจากมืองทันทีล่าก็ได้ไ ม, ม่ยอมมาใช้สามปี จิปหาจิพกปีรวมมากแล้วละ่ะสองพันห้าร้อยฮล่ะสองพันหาร้อ ย, ส, ออยสี่หาร้อยหางละพระพุทธลูกคุย ท, ทึ่งหเข้าไปเห็นัะ น, นี่อันนี้ไม่ยังย่านทันทีหรอต้องมสวน นี่บอกใกล้เกิน้นไปนี่แต่วจหัน่ลเามเยแล้วเราควรรวแล้วนะอันนั้นมันหันเองาสั่นันระบำโประบบกิ้วมาสั่นระบำโปรระบำกิ้วผลประเทต้อนาเพราะพุทธลุพ่อไงพระพุทธลุบพทธเถคุณโอ้ยยังไเสด็จบุญร้ายเว้ยเนาะเลือกแข่งเลือกขาเลือกดเลือกอยงี้เพ่นเบิ่งวะเออเดบุญร้ายเดี๋ยที่ลาอะไะ อันนี้มันบาดนี่มันเนี่ยมันเหรอบาทนี่เอาตังไงน่ะ ม, พมาพุธรูกไ้สัพระพุทมีศัทธาไอ้เขาไอ้เขาเอามาใส่นี่ เ, เ, เรื่องอะไผมผมผมผมจีบอกอนี้วถ้านั้นว่าท่านเข้าใจว่าท่านท่านมาบอกกุมัวท่านอาปติปทาของผมนะมันม่ปฏิปทาของผมยังไงจริงว ยาเฮตังแทตั้ ง, งบาศสวรรค์แมววามัม่นเลยเงหน่อยวะเฮตตาเฮตตั้บาศพบมาโลกอีกห้านึงเลยเฮตใถวมันครบสันวดึงสันตะวติงสาเนี่ยเฮตอันหนึ่งสันย่ามาเฮตอันหนึ่งสันรูรมมนรน้สิดสันนี่มาในวัตีปาริณีมตสวาสจติพู้มรุสชาพูมกรโลกหิจามหาพู้ม้าปริตตาผาอปมาหน้าผ้าอัปทะาปริตตาตัวผ้าอปมาหน้าตัว้าตัวกินกาสอัตนยตา วิหาพระราอวิหาสุตตะปาสุตสาสุตสีแห่ม่ครบซิบหกผุนแม่มันจะไหนเงินหลายสี่ล้าวะเออแล้วอันไมาเฮ็ดเต็ั้งบตทเทวรา์อีกวะทั้งบาทเทวเทวเทัศาชนะจงเทวจังอพอมูลเลยวะเฮ็ดหค้นขากันเฮ็ดดาพอมหมวยถือเฮ็ดหุพระพุทธเจ้าแล้วก็เฮ็ดหุบพระเทวราชเบือดเบีย น, นพระพุทธเจ้า ก็อนหินจะพูดพูดคิดผู้เขาคิดจะกูดมากอีกวะนี่จากบาตเทวทัตอันนี้ให้บอกข้าว่ามันจังได้บุญหลายพระท่นอันจังว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพิ่นกระพ้าที่เอาบาตไปบินธบาททอนตัวท่นเพิ่นเอาบาตขอเงินบ่มีก็เวเงินขึ้นที่บอกว่าท่นจังว่าเอาบาตมาตังไว้ทั้งหนาเพิ่นคพื่อว่าสีเอาเงินมา เวทฝูงคนที่ไหวะอท่านพอเห็นว่าเนี่ยสังฆายน่ายเหอพระเรียระตะเนี่ยท่านปัุอะทั้งขบันพศเนี่ยพวกวัดชีบุตรเนี่ยเอาบาทเขาไปตั้งไว้ในโบสถ์ให้ขึ้น่อนหอนถอยเงินถอยคข้ามะเลิกลกแบงไปให้ พระเรวตะพูดหนึ่งพระเรว่าตาพูดอก็เอ๋ท่านมาเห็นบอกว่าได้สังขีตีเลยวาฮิตไปมากไดลวปู่มหาบัวที่มาเห็นนะจ๊ะท้าวหลวปู่มหาบัวมาเห็นนี่เกิเสียหัวเฮ้าเวลาเขาโตออกไปจากเฮ้านะจ๊ะเฮียบสองสี่ของวัลกได้เหรอคำว่าคำว่ปากนะเขาเสียงของบวลก ปฏิปทานี่ยนะมันสําคัญที่น้องเลยมันเข้ากันไม่ได้เยอนะ่เลยแต่ที่สำคัญปท่าสาคัญที่สุดส่วนกินหน่อยกินหลายก็บ่าเป็นปัญหาดอ ก, กของกินมือละเทื่อนึงอันอื่นอันเรื่องเกี่ยวกับสเสวงหาตัวงอเนี่ยมันบดลงขันอยู่อย่างนี้ตัวงอะะเสลาอืน มันมาลงกันอยู่อันนี้แหะเดี๋ยวถึงว่นเสาร์เอินเนี่ยมลงกันดนี่มันหายางแบบยางโหลดผลกับมี่พระแตกกันในเรื่องนี้แหละเรื่องหาอุบายหาเงินบาลงกันนี่แหละเบาเห็นเพล่นอาจาร์วันบอกประชาพักธุธลูกคน ไปสามพระพุทธรูปแล้ ว, ลวเราเงืนบพ่อเงน่ยพ่อเล้ไปไปนิมนต์ลพบอาจารย์มหาลบพบูมหามาในประท่านก็ไปเอาจะคุ้นเทพบรนเทิงหนึ่งคุ้เทพบรนเทิงน้องข่ายจะคุ้ น, นี่ยังคนอื่ น, เ, นเทพยัง เจ้าคุณน้องชายชื่อว่าเทพอะไรไตรโล ก, กาไตรโลกาอะแตรโลกาจารย์ <ha> แต่ว่าน้องปู่มหาใส่ชื่อใหม่ให้แล้วบอกว่ า, าไปไหนชอบบันเทิงเทอท่านบอกว่าท่านเจ้าคุณเทพบันเทิงคันนาดยุกับโคโซกเราโอ๊ยบม่ได้กินเขาก็ได้โอ้อกโกโ lóg, โกโกโค๊โ ก, โ ก, โ ก, โก็หันม่บริสัทอย่างหั้นก็นกนได้ ไปทางไหนเอาไปนั่งเรื่อบันเทิงบัดือกันเีงละทัางลูกผู้มหาบัถสือกันเพนารา น, า น, น, น, นอาจารย์ว่นผ้าไปเพิ่นจะพูนยละพินึงไปแต่โรอาจารย์เนี่ยละไปไปนิมนต์คนสั่นทังสู้ไปนําขึ้นไปนกุฏีเพล่เต็มคนนิมนต์พวกแม่คู่บาอาจารย์ไปงาน ให้หน่อยเนี่เวันเียตาเลหน้าเขาน่อยนย่เงืนยังอยู่แสนหนึ่งโ่พ่อสางพะาระันหลวงปู่ก็ักเขียวหากเปื้อนแห่งสมบัตินั่สิแล้วนั่งคอยว่างนั่นสิแลมวกลลงยังสันติหรอออกมาจากครูบาอาจารย์อันเดียวกันนะ เทพไปทั่วทีบทั่วเด่นนะสันแตพ่อมันเข้ากันวะได้นะวะสันโอโ้โหแล้วจะขุ้นเทพบันเทิงนะสันนาตายบดสันขุ่นเกียรติจสูงทา้งน้องค่ายเนะ่ยเอารถไปสามขั้นทีขั้นหนึ่งไปห้าเพื่อนได้ค้ารบกุฏิเพื่อก็เลวเท่านั้ น, น่หละเพราะเราว่าปากแก่หลวงปู่มาหาได้ข้ารบกุฏิวะสัน แน่นมพราะอาจารย์วเชี ย, ยดแล้วนิษฐานน ะ, ะ, า ะ, ะ, ะน่าอาจารย่าผมคอยด้วยห่าหายเที่ยงข้าวยำท้าวยำวันน้องพื้นถ้าสันไปวิ่วว่ันออกจากเข้าไปไปวิ่วว่ันพวกหนึ่งสันจะโดดหน่ะคนหมอกเรียกเก่า กับขึ้นมาผัน่าตัวห่ า, าได้วิวกกุันพระกับไปสางพระพุทธลูกกินข้าวต้มข้าวหนงขอาแล้วกักกับขึ้นมาพระสันไปทำพูรากาศนี่ยละคุณสันไปสางพระพุทธลูกเลดสรงกินข้าวต้มขม้าวหนเราันกับมาหาหา่อผันว่าตัวได้วิวกได้วิวุ่นคุาสันอ่าล่าพนไปวิเวกไปหาสางพระพุทธลูกของพระเกดีเจ้าแม่บัถืกอกระเพลนี่ เันสดทีขึ้นยู่จังพันศาเนึ่พันน่ะนะการจะไปบอื่นเรื่อยม้วนเหรียญเราคนบนน้ำวานเราปนั่นล่ะเชง่ปนั่นล่ะล้อปูมันมันง่ายบ่แผ่นดินานวันผ่นดีเดียา์สัญญาสัญญาขนอยสัญญาสัญโน่นสัญญา พี่เจ้าน่านมีพสันกิติสันนะมว่าสันเป็นว่าเยอะสุดคุ้มเลยมีว่าสันของบุมันมาดีให้อันนด้กติสวกฆ่าตีฆ่ามือโพดมันกระโผดดอกว่าสันุทธาว่าพี่เจ้าน่าบางคนมว่าสันมันเป็นตาสนหนึ่งว่าเป็นต่สนโลกนี้ว่าสันพระเดชให้กิติสวกฆ่ามือโลกกติมที่หรอว่าสันเนว่าหลอกมีได้ตัวหลวงปู่มาออนหลวงปู่มันหอกเออ โรคพ่นเป็นโรคซารา่าขับเป็นโรคค่นะแนวดินพันเป็นดินเพียงโรคซารานิมนต์พ่แม่คูบารพ่นห่อาัดถึหล่อพ่นมือหนึ่งถึอหล่ อ, อาจาย์ทองคำทาเป็นผู้รักษาไฟเน่รักษาไฟอังโลนิ่มพ่นเวนทบาลห า, ายพ่นโไซไปไปนิมนต์ไปนี่ไปนิมนต์ หลวงปู่บวชห้ไปปินับบาทตัวเป็นผู้ ร, บบ ร, รักษาไฟมั้ะมั น, บนจบวขอมบวกายเพื่อนจรรมหาบวห้ อ, องบวชในศึกษาเปิดมาบเพียงหอกเป็นห้องนี้ม่นได้มันกระบเพี่ยงอกเป็นกถือหอกเ้องอันแนี่มันห้อง้องศึกษาเพื่อนจรรมห า, ากกตะกอนไหนมาแทนห้องเป็นพระผู้น้อ ย, ยห้องที่ไปขอข้อคิดขอมเปิเมื่อไรได้อาจารย์ทุกคำเลยก บันนาเพิ่นโบถือหรอกตอนนี้อาสี้ขาจะเข า, าเคือเทียนอันนั้นก็เห็นอันนั้นแล้วเว่าถือของโบง่ ง, งเจมี่ห้อเดียวขูเพรมวันน้าอย่างว่าไ ม, ม, าาามา่ไปมั่น ไ, ไ, ไ ป, นนปไ ป, ปไ ป, ปไปไ ก, ก, กลมากไปไกลมากเลยนึกว่าคุกเข้ายกมือขึ้นได้แล้วก็นีมั่นพ่อแม่กวาดจารบวชไปบินได้หวา ลูกเต่าที่วินตาบาดมาเหลียงดอกพาะเมื่อไรอ่เท่าแลอวบานกลางค้าออกแล้วมพนขึ้นนักมวยกลางค้าออกกระเมี้ยนที่ดอกกระเมีนที่ดอก ก็ไม่รู้กระเด็อะไรเจ้าพระพุทเจ้าท่านบินเทป่าน่าจุนทะกามัานบทเนี่พระศักดิ์เซพาเนจจอนยังเมื่อโกศินาราเออคือเมืพระองค์เจ้าคนนี้พดก็เรีว่าพระพุทธเจ้าก็บินเทป่าคมืมตตาเ้อันนี้เข้าขีดทีมแล้วพุทธเจ้าโดนก็่าจะ เมื่อเท็นหน้าเข็มเหรืนนับตาไหลสะสะยิ่งล่อบ่อกคือบ่พควนเทเลยบ่เทิงคิดเท้งใจพ้นชิงลุกเหน็ยเหียบเหน็บบ่ผมหองาบ่ได้ใจไดว่าบ่บ่ทำอยางช่างฟังนี่ทุกอย่างเที่ยงตรงลุบผูมัน ไปบินถวารบ่ได้สั้นที่หนึงของโลกบ่เป็นของของโลกพนมันค่อยถุดลงสุดลงนี่โรคไซเลือนก็ บ, บ่เป็นแต่โลลรคฤทิ์ดวงมันเป็นอยู่ฤทธิ์ดวงทวารค่อยชุดลงสุดลงคำนั้นบใบไม้ก็ค่อยแห้งลงแห้งลงแห้งลงแห้งลงคำมันปลี่ยปลาก็าได้เป็ น, นสัน้นไปบินถวารมือที่แรกป่วยที่แรกหลวงปูมัน เด็ดเดียวหรือบริเ็ดเดียวไปในบ้านอยู่บ้านี่ยว่าสามารถไปในบ้านได้มันยับเขาไปตีนบ้านส่วนมูธรรมดาก็ไปธรรมดาเวลาคนไปในบ้านไปตีนบ้านนี่ยมันไช้พเพู่อนน้ำน้เพลินให้เพื่อนอาจารย์วันน้ำ แห้ตัวเฝ้ารีบมาให้ท่านขอวัดอา้าวฮะย้ำมาอีกไปเครื่องบ้านไปไปเครื่องคุทังสิบเขาบ้านั่นเอยังไม่ทันถอยเลกคอ ย, ยับลงยับล ง, ล ง, ลงไปพักตูวัดบัดเลยไปพัตัววัดพกตัวหัวธรรมดาให้ขอนักตัวหัวสัดไปสัดมาเลยะ บอลพักตูหัวเป็นสุ่มปักตูก็ตียกหน้าไม่ยังหรอกยับเขามาอีกต่อยกลางเดินวัดบงังเขามาใส่น้ำหันสามคน4ีคนพอแต่ขอวัดนับม่อีกบินเทาบาทใส่ข่าหลังสารา ในเวล า, าบินนิสบาตนสัมยังลงไปสันนนส่นนมูอยู่ไรนัสร่หน้มูอยู่บริขินปกุดจะคลองหอกยับเขาไปอีกยับเขาไปอีกหมูคู่บ่าอาจารย์น้มูคื่กันคู่ว่าอาจารย์นิมนต์พนบินบบนิสบาตก็กดพนบินบบนิสบาตก็กดพนพนยังลงมาบินอยู่ลงลงมาบินแค่ข้ากุด บ้าไหวบาตเนี่ยับเข้ามาเขากล้ามีนัเกลายืนบินที่บาตนี้ถ้าคุณที่จะของเขาใส่เอาอย ator, ู í, lands, <the> ่น Ho. ี่คนเดียวเขาใส่สามคนสีคนเข้ามาบนน้มาหลายแล้วนักเขาก็นั่ับเขายับเขาตั้งบาตด้วยให้เขามาใส่เอาบานี้ะะเนี่ปานนี้นะจังย่อม จังยอมสันในถวยในสัซมจังค่อยยอมสดซอนบาอนเก่งกว่านั่นในหลวงปู่มันหาโตยจับหยาเเย บ, าาบยาเสดใน เ, เรื่องขอวักุมหาโตยจับหยาบเสดผู้ใดกับผู้ใดมาเถอะเรื่องรับแขกรับคน ว่าล่ามปามคือมูเฮ้าเลยมูเฮ้าย่านเจ้าบ่ถือแกเขาจั่มาภาพจั่วมาเพียบอยู่ลงเจ็บเพียบจะภาพอยู่เพื่อนหรืเปล่ า, าลยเอาขันมาพิษเวลาหลือว่ารับแง้มคอยปัสตาดกวดอยู้เจ้ามาเฮงหยัห่งเห็นตัวเจ้าเอาขอวัดของเจ้ามาคมเหงิคอยบ่เห็ น, นตัวเออแง้มคอยเดินอยู่กลมเพราะว่าหน้าเจ้ากับมาเฮงหยัห่ง เจ้าสิกเขาไม้เจ้าผิงังจังว่าถามผู้เขาไก่ชิดเขาปฏิบัติจังแม่เจ้าั้งมาเหตุมโลกมาเสียงคือมาหาบางแต่แต่ตัวให้ใหบ่มาับอาจะเห็นนี่ย่คือมือห่อเลยเจ้าชิมาเตะไกลประเทศ น, นอกกตม่มว่าถึเวลาก็ะบรับถ้าห่อหน่อยย่านได้เขาบ่มาเลยเขาบ่มาแทบซองท่างอยู่วางเาใส่ญญรถอัตมาเพียบอัตมาเพบเรื่อรมจะเพียบจะเพียบยุทธเนี่ กไก่กระป๋ะหลงกูมัหวานก็เข้ า, าลงํา ก, กันบัดวันนี้มีอายามเตจกแก้วคือมูฮ่าในหรอกเพิ่นเอาซไว้ไหวงเป็ น, น้มที่ก็ฝากมาในทิศทั้งซีนักก่นกับโอวันจินเพิ่นใส่จอกเพิ่นประมาณจักสามโอมผ่นทันอ่ะช่วมนัเพิ่นเอาลงในบ้านบัดหวานที่เขาถอยมาจากบานเมิ่นเขาลงในบักบัด ลงปูมันเอามือเลยเอามือเพิ่นเอามือสองนี่มุขสีดอกเพิ่นเพิ่นชนบินทัพบกเพิ่นไอ้สีออเทียเพิ่นกเอาซ้ำนี่เดียบไปซ้ำไปสีออกี่ออกมันเปนสีเอามีมืออันมุขผมือขีนเขาอย่างมุขห่อเลยมุขห่อเลยเอาหลงมุขผมมือคีนเขาสีเพิ่นเอาสีออนี่มือสามนว่หรือสองนี่นี่มัว่าข้ามเลย่พิ่สีออ ซ้อนในหัวนนว่าพวดพุทป่วยอิรีพุทธไปบินถบาดว่าอะไรคนเรื่องโซดซ้อนเนอะเมื่อฉันอยู่เราจากไม่เอาเนี่ยมือสอดเข้าปากคนถือยังสั่เรื่องโซดซ้อนเป็นเรื่องของพระป่วย เ, เ, เรื่องสั้นเพ่งก็เป็นเรื่องของของพระป่วยป เดินทัางกายไปทั้ง <hi> เลือดอยู่มากดวยการบินธบว่าเพราะสานหนึ่งได้อเนสงเก็ถิ่นหนึ่งอะไรอเนสงพรรษาหนึ่งมาสั่นถ้าไปสันเป็นนิจวัดมันกระพิตีือสันพ่าวสันสันเพลิว่าสั่นไปแย่ขี้ว่านการนี่การจีว่านไมเาดินท่ากายไปทั้งเลือกว่าดี Patrol. หรือเก็บไข่กาดีหรืออ <aches. S 2> ิหย <Like> ังกว่าดีหร erm. ือพ่ชนะไปของสมณกดีไว้สั Pepper. ่น เราไว้ักอันไหนตอนไนเลยสันละมานาธรรมาเพ่งตะพืชเพ่งตะพืชมั่นกับว่าถือตีพจนน์อกไว้ที่นี้แล้วข้านี่อเอคำพี่พิสุทธิมักย่นลงในปฏิโมกแล้วสันพจน์บอกว่าสันหลวงปูมันเมื่อฉันบินถ่านเราจักแลดูแต่นาบานเนี่ยพันแรดูแรดูแล้วก็เข่าบอกน้ำซ้ำบอกว่าสันพจน์ว่าน้ำพัสนาพจนบอกว่าสันพจนเราบอกวันนี้ได้ข้านี่ พวกมหาเก้าประโยกพ้นท้องเขียนเนี่ยเะสินนี่ต่คุณน่นยวอที่โอ้ยกัมเรน่วมท่า น, นจาัและพวกผมมันปูหาการเลียงทองท่านพูดว่าูหากาเียงทองแกมเนข่วมท่านในจนนั่นแหละต่คุณตําไปเกียิย่าไงาเนี่ยฟัง <c oughs> เมื่อชันบินธบเราจากแดนดูแต่ในบาทเนี่ย เราจากแรกดูจติยบเข่าสันบอกว่าฉันแรกดูพิ้นโตสันบอกว่าฉันวิตวิแรดูปอหมอกเขียวสันบอกว่าฉันบนบอกว่าันส่องพุทธเจ้าไม่ได้สันในบาทเท่านั้นบนบอกสิเพรู้มาบอกว่ามีบันแสงคำพี่ไปสุ้ที่มาหยดลงในปฏิโมกแล้ว โมกขังแปลว่าขมจากเกลียดขมจากค่มผิดเพนห้องเขาสิแล้วพนเปร์จากสิเมีนโมกเฮียนวันเถอะมกขังแปลว่าขเพนมาเหมือนนี่พนเปรย์คือพวกมหาเขาเลยพระนรจ์มหาพลไล่สัมพัฒนท่านั้นวิพัฒนทานั้นอันนั้นนี่ตัวนี้นหัวละอยู่ลูกผู้มหาลูกผู้มารเพนหัวละอยู่พนหัวละบริจัรมหา ใส่จำบ้านใส่อ่างไข่าใส่อย่งใส่ยิฐทีลิงปูที่ผูเคร่งกละเรียงี่ยวันปัยใ่วันจันมาแลวปูหวันวรอแจ้า่่ะคร่หลงปูมาน่ปลาน่นเลยนะคะเน่ยหลวงปู่อมาฟงง่ายๆเอาบ่าว่าที่ท่อนั้นฮะเนี่ยเรื่องจีวอนท่อนสบายฮะเนี่ อันนี้มาบังสกุลกับท่านท่านจังย่อมใส่บางสกุลก็บวนร่วมกับลูกกับหลานผู้เฒ่าผ่้ใส่แต่หังบอกว่ากระทบกับเทือนเูื่ออรอันไรเอามาบังสกุลกับท่านหนึ่งท่านหวงไว้ใส่ผู้เดียวมับอกบอกกับบ่ได้ว่าแต่ให้ลูกใครเต่าคือกางหังมันบอกพ่อท่านขาดไปนหนท่านกับพ่ใส่ขันมาบังสกุลกับฉาลาบกดีก็บินทะบาทก็ดี บังสงกุดน้ำกุศน้ำบันไดท่านน้ำบนเดินยมคมท่านเหมนท่านขาดท่านเขินท่านก็ใไส่ท่านบกขาดบกเขินท่านกรใหายรูหาเตาะเก่งป่านได้ท่านใส่ของโมมีราขี้เลยหลวงปู่มันพื้นข้าสิเอาพุ่นนี่ข้าสิเอาบพไา้ว่าล่ะคู่าสมผนว่าให้โตัวนียอดหอไส้แล้วบอกขัดข้อตัวคุณยศของพระในจารย์สม ให้เจ้าไปเหตุแบบหลวงปู่มันมึงเขียนม่แอ้วสนหลวงปู่มันนั่นลูกศิษย์มิตรภูหลึกๆได้ผลจังหับไหวสันเจ้าสิ่ให้เจ้าไปเหตุเนี่ยสันมงึงดูขัดเจ้าว่าถามเอาให้ข้าวมืดข้าแห้งดีแล้ ว, วสันยาติท่องแหงแล้วสันลูกศิษย์เลิกเจ้าลูกศิษย์ตื่นเจ้าจะไปเหตุเนี่ยสันมันสียด้บอกว่าสันพระอาจารย์สมอ ใ, ให้ตัวว่นเถอะอ่ มันบ่งบอกจะขควมมาสั่นมันบ่งบอจะข่วมมาในห้องก็ถามเอาที่ไว้สั่นห้อจังได้ไั่นมันจะไปยัง้สั่นอันลูกศิษย์หลวงปู่มันนั่นมู่ห่อปอยูนอำเภอเนี่ยมันก็มีต่คนสลัดเบิ้ลไว้ั่นราสลัดก็ไม่ได้หลวงปู่มหาคอหัวอยู่ไวสั่นเออมันก็เฮ็ดได้แน่ลูกศิษย์เล้วก็เฮ็ดเลิกได้แนวลูกศิษย์ตื่นตื่นให้เจ้าไปเฮ็ดให้สั่นลูกเจ้าสิได้เด็กที่ยังไั่นยังได้ยังเจ้าก็เอาสนตัวไว้สั่น เอาล้เลหันหลวงปู่เพื่นอาจารย์มาบลูกศิษย์แล้วเข้าจังเห็ดจังสันได้เลยวะันลูกศิษย์กหัวก้วยมันเอาไปกินเมดนแหละาันเพ่นราบอกวาสันท่านั่นของหลวงปู่มันเพื่นัดเลือกเอาพ่อแห้งจังเพื่นจังเอาจังมัสาเพื่นเพื่อนไ้เอาขีมวัขีมวาแฮงคือห้าววันเขาจะไปใส่ใส่แบบล็กๆงสันห้อย แต่ไมี อ, อีกบอกออมลกไกใหน้าเลี่ยวะั่นเจ้า ก, กระทองแทงตายแล้วะวสั่นจะเอาฟื้นิีมใช้ไฟเลยวะั่นทีมใชาใชเท่าไรมันก็ไหมมดืดเงาเลยวะั่นท่านสมพระนิจันสมบอกเลยว่าหลวงปู่เทศเปิดไปแบบนึง่งปฏิปทาเขาเอามาท่านเนี่ผมจะไปยังผมก็เอาของผมเป็ี่นทีละเด้ผมบ่กมันพนพีบาปพ่อที่ัดให้ผู้อื่นหาหายได้แลั่นหลวงปู่เทศดเปิดไปเท่วนั้น ผมบอมันผมบอกมนคนจิกคัดพอ่อจให้ผู้อื่นเอาหาได้ผมพิจาามันเป็นท่ามันไรผมก็เอาโลดปรสรมันมันเป็นปรัีสางค่าี่เศษประสัิของผมเป็นผู้ใหญ่มูนี้ประเสริฐหลวงปู่เทียบอกไปยังัตวอันะหลวงปู่มหาบอ่อะขันพรคุมอิหรีก็บพระเกาเอาหลวงปู่มหาหลวงปู่จามออก็คือกันหลวงปู่จามนี่ เป็นสัโดดนำผาจีว่าน้นหลวงผู้จ่าว่ขาดอีหยวปไทยได้คนพ่อแม่นี่ยของคอยได้ผาจีวคือกาอันพาอันสังฆาคือกานมีดโกนคือกันหลวงผู้จ่าเป็นพระสัญโดดยกคนหนึ่งเนยเงินส่วนตัวผู้ถ่อเาเก็บได้ผู้ถ่มาสามวัดใหแต่ว่าได้ขอเงินค่ารถละสั่งง้อไปง้อมาเหม่อนมด้ ใจนอนเท่านี้ยะอสัมพุทโธเครื่องมือของพุทโธพุท่าสื่อมาไว้ปัจจัยลบผู้ชายโคปัจจานี่ามภาวนาอันนี้บอกเรื่องโลกอันนี้บเรื่องนอกอันนี้ไผเคยภาวนาอันไดก็ให้นำลุ่ที่นอกเอ้ยบ้ิสีดอก ว่าได้คุ้นหน่อยก็ได้คุ้นหลายแต่สั่นพิจาหนาคุ้มตายังสิติดต่อกันอยู่ก็เกิดสรุดสังเร็จคือกันละสั่นพิจาหน้าล้มหายใจเขาออกจังสิก็เกิดสรุดสังเร็จคือกันละสั่นภาวนาพุทโทษติดต่อกันอยู่นี่ก็ได้กําลังคือกันล่ะกรรมฐานอันใดได้กําลังมัดว่าได้หน้อยก็ต้องได้หลายมัดคอสําคัญบริกรรมให้มันพ่อบริกรรมให้มันพ่อจะรีดก็กระลุกพุด บริกรรมแปลว่ากรรมกับอยู่วางแท่นถาชานั่งแปลว่าเพ่งอยู่สีร่งแปลว่าตัดสินในการเพ่งสมาธิทิ้งแปลว่าตั้งมั่นในการเพ่ ง, ถถ ง, ป, ง, นนพงปัญญาแปลว่ารอบรู้ในวันท้าเพ่งอยู่บอกว่าเปลี่ยนเดียวแั่ไหนบอกว่าเป็ลี่ยนเดียวกันครับอิทธิบาทควมสําเร็จ ให้สำเนาคมประสงค์สีอย่างฉันทะวิริยะกิตตาวิมังษานะ่ะเอาลุางเปน็นอันเดียวกันฉันทะให้พ่อใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะให้เพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะให้เอาใจฟักไฟในกรรมฐานที่ตนตั้งไว้นั่นวิมังษาให้พิจนาทิตฐองในกรรมฐานที่ตนตั้งไว้นั่น ว่เก่าหันละเป้าอันเก่าหันละหลอกงั้นหราถ้ำนี่สิว่าไประแปืนสีพระถ้ำมาขังก็ตามก็ว้าเรื่องเก่าหันหลายอุบายที่ซืวาเรื่องกองน้ำลูกพันะนมั่งไปว่าซื้อมันลูปังไปว่าลูกลูกนี่มันก็มดินน้ำไฟ่มมาซุ้มกันเป็นกายเรียกว่าลูกเท่านั้นแะ คำว่าบ่หลงดินมันกับบ่หลงน้ำคำว่าบ่ลงน้ำมันกับบ่ลงไฟมันกับบ่ลงล่มเื่ากันล่ะเพราะดินน้ำไฟล่มมันสุ้กันเป็นกายเรียกว่าลูกคำมันแตกออกไปมันก็แตกไปเป็นดินมันแตกออกไปมันก็บไปเป็นน้ํามันแตกออกไปมันกับไปเป็นไฟมันแตกออกไปมันกับไปเป็นล่มมันไปอยู่มหาพุตธธาตุเรียกว่ามหาพูทธาตุธาตุใหญ่ธาตุดเดิมของมัน ข้ากินเข้าก็เรียกว่าดินนุ้นดินข้ากินน้ำก็เรียกว่าบำรุงธ า, างตุน้ำข้าต้องการความบอบอุ่นก็เรียกว่าบำรุงธาตุไฟข้าต้องการหายใจเข้าออกก็เรียกว่าบำรุงธาตุลมข้าโรคพ่กโกาโก้ข้าร้องก็เรียกว่าบำรุงกิเลสเรียกว่าเรี่องกิเลสเรี่ยงงูเหา่า ว่ายทากัสโตขันห้าพักดันทาหันท ห, หันมั่นก็เรียกว่าห้อสิต่อสู่กับมั่ น, น, นอ่นอุบายได้สิ่ทหันกับหันกับมั่นได้โลบที่เอาอยัางมาต่อสู้มั่นโลกมันกินค่มกลวัวสิวาราคากะเมนโทสะเนี่ยมันโทษซะโดยโกงแล้ว โทษสาข์โมโหก็มีข้อหมายอันเดียวกันกับโก้โทก็มีข้อหมายอันเดียวกันไม่ราาูท่าอันเดียวกันกับโก้ทั้งกับมีข้อหมายอันเดียวกันโก้ทั้งคัทธว่าสุขังเสตีข่าวข้โก้ได้แล้วอยู่เป็นสุกมาสั่นก็เป็นสุใกใจฮะละข่มหลงมาเนียเสยังมาต่อสู่มันสัมมาทิฏฐิข้อมเห็นสอบต่อสู่ก็ข่มหลง เห็นว่ามีบาปมีบุญมีมักผลนม่พายต่อสู่ก็ข่มลงเส้นต้นส่วนลาขากนะันขันพ่อเลี้ยวเห็นท่ายศรีงไงแดละจิตไปเลืาขาหูดาเข้าโลดยักษิทีมหางกุล ก, กันนั่นนะให้คาบโยงความเมื่อา่หนึ่งขึ้น ขันมาสซบาทได้แล้วแขนเหี่ยวๆรลว้วไ่อยากเบิ้มันแขนพี่กูกลมสวยๆแค่ราปาคิงแดงแคเราที่อ ย, อยากบังสกุลพ่อบาทเนน่ะอันนั้นอะไรพี่จะน่าห้างกระดูกทำไมด้อันนั้ น, น, นว่าทนสูงมันไปได้ของอะไรมันเปืออ่อยมันเน่าสมมุติเอาฉีกระตือกวนผุนมาค้อง้อง สมุิว่าเลี่ยแตกมันผุนสมุิว่าเลี่ยอหูหีมันผุนมันสีเลี่ยได้บ่ไมนจะกลืนกินได้บ่แต่มันเงี้ยวเสถ่ยปนไงะมันเงี้ยวแส่บาต้งรูทกินได้บ่สมุิป่านันจ้างสีได้บ่ไม่จะสูบมันได้อะนาวันั้นสูบมันบ่ได้ปรนเทศเยอ้วยองๆประเทุภาพอยู่นิดใส่หาอหยาบห่อกระเอาเนื่ยหยาบเสบมันสั่นกัพี่เจ้าหน้าร่างกาย หลอกหนังออกมังดูมียังเนรรวมบรวมสร้างวันคันบ่อยนั่งเขาเลยอยากเป็นพระโมกข้าราชก็ขอไปรอดนะอันนั้นว่ารายการเดียวน่อะอยากแสดงฤิดแสดงเน ด, ด, ดโรดบ่อยนั่งอยากให้เขาอัศจรรย์โรดอยากขอไปโรดอยากดำดินไปโรดว่าได้กินเนี่ยนั่นนี่ก็นอนเบื่อมเท่าน่ะ แต่สังเกตเมื่อจะค้องแต่มันถึกราคากับโทรษสาเนี่ยอะ้รมันขืนง่ายกว่ากันขันโทษสามันขืนง่ายน้อยี่ยให้เมตตาตนเมตตาตนสะกวันนี่ผู้ดาผูวา่าห้องกบะสอบมีผู้เบียดเบียนห้ากกบะสอบนี่ผู้ทำลายหลังกายห้องกบะสอบ นีผู้เบียดเบียนทั้งทั้งคงทั้งโอมห้องกบะซอบในสกุลหน้าหลังกายทั้งห้องนี่ผู้ทุตผู้ติผู้ด่าผู้ว่าห้องกบะซอกทอบพทั้งหลายกับคือกันห้องจำเพาเมตตาไปทั้งกกทังใส่ลกรากหันบอยจัง้งแสนน้ำมันกระพาะปานพายเหื่อโต้ลมโอโตโ้หนำไหลมันบวลงมันบริกรรมซื้อมันต้องเห็นโทษ ในการโทษสะอิหลีเห็นโทษในการเวน้นการไถ่อิหลีมันจันทร์าวาหน้าเมตตาลงล่าพาก็คือกันมันเห็นโทษในการของโสกโปกกะแทกมันเถือว่าของสวยของงามอ๋อขมันอยากเสพอยากสมว่าสั่งเนี่ยยาก เนี่ยธาตุออกมันกับธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมอะไรคนันอยากเสพอยากสมขะมันไปจ้อหู้ขีตมมันเสียเบิ้องระเบ้ออันกระทัดดินขึ้นกันตัวเออท่านคำมันอยากเสพจยากสมมาท่านเอาตั้งน้ำใช้ขันมาเดาหน้าเบืองระเบ้อเออคำมันอยากเสพจยากสมมาท่านดังไฟขึ้นนุงลูกเสียก้นใช้เดาไฟเบ้องระเบ้อกระทัดไฟอ๋อ ก็มันอยากเสียจากสมอีกกระล่มพัดมากหลายๆกระดุเสียข้อยปินไปทั้งร่มกัมเดาล่มมึงระบาดมีสธีธาตุดินน้ำไฟล่มผสมกันเป็นกายเรียกว่าลูกอันเนี้ยอกว่าสันอรว่าเอาหนามหยาบใส่มันว่าสันประยูรดิบ่อเอาหนาหยาบมันมักหยาบต้องเอาหยาบใส่บอเห็นหมอหนึ่งบไปบินสบา พมเห็นผู้สาวมากเลยน้าอังกฤษเยออกกุดกุดกุกุกุดออกวาสันโอ้ยมนกระพูดไปหรอวาสันเอาวานะ้าเปียกบัดแล้วเอะท่านพุทธรรมาไล่ยันตัวสิบไปแล้วเดียวนี่แล้วอุบายทอดม่านจาของพ่อได้บอกเขาว่าถึงรอกมันตอกมุจางแม่ฝ่ายไมันมันจะมันเป็นส้นทิพทีโกเลยอันลากขาเนี่ยะมันสาคัญ มันจะท่าให้ฟิตท่ามัจมันจะท่าให้เป็นปรสิตนายคาว่าสั้นกะกระดูกระโลกหัวผีนเขาคุดได้วันไหนเลยแกจะเอาไปทิมยู่ในคุดทําทอมงกเขามีเอามาแขวนข้อเดินจุกบ ม, มันซองมึงซองมึงหัมันเห็นอยู่ใช่ปะ สัตว์เอามันมั่งุม้มเสน่ะฮน่โดมมันสนมากมันนอุบายนิ่มๆเ ส, ส้นสัตว์ข้อมล้มมันมิจฉาทิถีมันมีอยู่ที่ยังยังไงของบ่สวยห้อโสห่อือว่าเป็นของสวยหนึ่งคือสกดในร่างกายไม่เป็นของป่วยเนา ของมหมันว่ตเทียงเฮาเือเป็นของหมันของเทียงหนึ่งคือสักคนละกายของว่าเป็นตัวเป็นตนเฮาเธอเป็นของเป็นตัวเป็นตนคือสักคนละกายคำมีแต่ดินน้ำไฟลมอะได้ ง, งี้ออกไปแล้วเราเขาสส่ บ, บุคคลมันบมมีอะไรเงี้ออกไปแล้วคือกุฏิวิหารนี่มาออกมาออกมาออกซื้อกุติกระบโมีีหลวงสั่งว่นขนึ้นลวงไปมันมาไปซื้อเออ ขอมแก่ขอมเก็บข้อมตายมันเอาไปกินน้ำวันคืนน่ะมันกินข้อมแก่ข้อมเก็บข้อมตายอยู่นั่นน่ะมันบวอิบจักถือมาหลายภพหลายชาติแล้วหลวงสัจจะมาเป็นขีขาแก่ขีกาเก็บขีกตายย่นีละอันบวชไม่ยศนีบวม่ว่าสี่บวชหายไปเนี่บวชไส่นีจะของเลยอันโมหานะปฏิบัติไส่นีจะของเลยไนไส่นีโลภใส่นีโกรธใส่นีหลง บอองสันนะขเขาบอลที่ตนกายก้องไข่อ้ยปฏิบัติไปแลก็ปฏิวัติไปพระประธนว่ามีดอกเสมอไงโอ้ยมันบพรอกกระจงหวเ็ดหน้าเ็ดตอนแรก็เห็ดไ ป, ปดดสว่าเป็นเศรษฐีรอเาสั่เอา่เป็นเศรษฐีก็ บ, บดีก็ไปรักพ่นจินขอพ่นจินนันบ่บอกของสันว่าหรือทีเอาแต่รักก็ขอพ่นจินนะ อันนี้คำว่าเป็นพระรหัน์กับศาสตร์สิบว่าเอาบ่พระสักทาฆามีว่าเอาบ่บ่ได้พระพระสักขะท่าฆ่าบ่ได้พระอาณาฆามีพระสักท่าฆ่ามีว่าเอาเอาบะบ่ได้พระรหันมันก็ได้พระสวัสดาบันว่เอาบ่คบว่าได้พระสวสดาบันตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์นั่เพิ่มว่าเอาบ่หรือตายไปแล้วไปพบมาโลกด้วยอันนี้สองสั้นบ่เอาบะหรือสี่เอาเตมมหกเนี่ยเดียวบ่ นีม่มันก็มีควมถามจะคลองเื่องการอะไรอ๋อปฏิบัติใจเดอะว่ม so ีรักพระอรหันต์เสมือนไ่เข้าอยากเป็นพระอรหันต์แก่เข้าเข้าอยากเห็นพระอรหันต์ก่เข้าเป็นพระอรหันต์สกปรตบ่อแก่เข้าอยากเห็นพระเสดาวันแก่เข้าเป็นพระเสดาวันสกปรตบ่อแก่เขาอยากเห็นพระสักทะาข้ามีแก่เข้าเป็นพระสักราข้ามีสกปรตบ่อแก่เขาอยากเป็นอยากเห็นพระหน้าทามีก่เขา ก็เป็นพระอานาคามีใช่ไหมบอ อ, อ น, นี่ขาผูกเว้นเชืเช่อมแซงผู้ใดบอว่าสั้าขาดกัดชีวิตบอนี่เครื่อทดสอบมัน่นอวาาัยวุฒทุกประเภทมันเป็นภุมของพระสวัสดิบายังยินดีอยู่บอนี่เป็นเครื่องทดสอบเพื่กันได้ ฉันห้อ ย, ยังยินดีอยู่มันกั บ, บ่แม่นพระสดบาลภาาักาา ท, รทรัพย์พื้พิษในกาแม่ห้อยังยินดีอยู่บ่กาว่าห้อสิกออกไปนึงสมมูลว่าห้อสิ้เห็ดได้บ่แมนบ่สิเข้าสมมูลว่าห้อยสิ้กาได้บ่สัดนะไอ้ว่าของสัดฉันยังห้ายังค า, าได้อยู่มันกับบ่แม่นพระสวัดิบาลเม่องขีน่าเขาหูนี่สิสามารถตบให้มันตายบ่สัน แั <errado. S 2> ส่สามารถต้มมันตายโยกเหมือนกับว่ามันพรผสดาวันนี่เอาวางเสียหน้าเนี่ยค้าขายเครื่องปะหารค้าขายซั์เป็นเรืเนื้อซับที่ตัวขาเพื่อเป็นอาหารค่าขายยาหนำเม่าค่าขายยาพิษนี่ซิ่งมือนี่เป็นพุ่งของพรผสดาวันมดเนี่ยครบมิดซัวนี่ก็เป็นพุ่งของพรผสดาวันมดเว้นมดเนี่ยบุคคลสําคบตัวเราเป็นพรผสมดาวัน พนเอาซะเอาพระมาเสกดูออปลุกพระเพราะว่าเฮ้ยไปปลุกคนงง น, น, นี้ยังไปเขาสูพคนนี้พลาอ่ะปลุกจ้ของอะไปอยังไปปลุกพระเฮงเสียเสก เ, เปล่าั <c oughs> ่งนยิ่ ง, งดีว่าเรียกว่าท้าเนีน่มันสีห้างมันสีมี่มันสีดีมันชีได้เยอะะ มันมันพระโสดาบันนี่มันโสดันโสดันดากเขาโสดันโสดาโสดันพระโสดาบันเห็นโทษตรงๆเลยบริษัอว่าเอาใบยมุกทุกประเทนี่เป็นทางน้ามาแห่งศัพท์ครบมิดซัวกับบเป็นทางน้าม้าแห่งศัพท์มิตรปี่รูปค้นแท้มิดมิตรแท้ซีจาพวกพระโสดาบันมุจักเมดที่นีปฏิบัติทัางเล่มพุ so ่มให้พระโสดาบัน อันนี้ัตุเทเก็ บ, บ่ยอมถือศาสด า, าอื่นผู้ล่วคนผีก็ถือดูหม้อก็ถือเที่วบุตรเทวดาก็ถือที่สำคัญนะตัวเป็นพระสวดวันมิจฉสวัสดิ์ดาเขาหาแนแมันมีแน่นดอก อ, อันนี้ัตุเทศกไม่ถือศาสดาอื่นนี่ช้าจาาพิธ า, านันิอภพโพคาตุง ชัจาาพิทานานี่เอพบพ่อกาตุงนี่ทั้งปีสังแครั ต, ต, ร ต, รรตนนั่งไนนม่าาีตังเอเสือเสือเชอดเชือดเกตอดเชือดเชือดเนือดเชืนดเชือดือชือดเชือดเชือดเชอดชือดเอดเชือดเชือด่าืามาัชือาเชาอดเชืดาปืตุเตาขอาเีืดาดเชือดเชือดเชือดเชืหดเชาอดเชือดเชืเชือดเชอดเชือดเชือดเชือดเชเชือดเชืเชือดเอดเชือดเชืเอดเชืือเชืดเือืดเอดือดเชือดเชือดเชือด พระสวดาบันนี่หระเพ่อนของบม่เนเนของโมจารเนี่แต่ว่าหลวงปู่จามเพื่อนเราเข้ากับพี่เจ้าอายุสามปีหกปีเนี่ยเขายังเข้ายังบอกว่าธนัไใจพระโสดาบันพระพุทธศาสดาดาไดก็ต้องเขาซูภายในพ่านในศาสนานั้นปวา เป็นพระโสดาบรนในศาสนาพระโคดมเนี่ยก็ต้องทาเร็จพระอรหัน์ในศาสนาพระโคดมสิไปสําเลสในพระศาสนาของพระาษียามีตายเป็นไงมี่คนนั้นอกว่าฉันหลวงปู่ปู่จา๋าพคนวอกได้นไงเอาฟังมาเนี่ยแต่ว่าเฮ้าของวัสนิพภะของมี่บนบนพี่แกหน้าอยู่มี่ระพุทธเจ้าของเฮ้ะ แต่ศา์เป็นกาเปือกพุนปาถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าหาพระองค์มาตลอดถึงพระเวสสันดรที่เป็นแม่พระพุทธเจ้าไปแล้วซีพระองค์แล้วกูก้สันโทษกับแม่นแม่ผู้ผู้นี้เป็นแม่โกน่าคำวโนกับแม่ผู้นี้เป็นแม่ กัสโซกับแม้นผู้นี้เป็นแม่โคตโมมหอดศาสานาของพระพุทธเจ้าของเฮารประเทศในดาวดึงสาแม่ถึงพระสวสดาบัลแล้วพระสวสดาบัลชนิดนี้ที่เป็นพระสวสดิบันเอกพิสีห์ฮาวาสิจะเกิดอีกชาติหนึงหรือแม่พระพุทธเจ้านี่สิได้มาเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าสิได้เกิดเมื่อกุตุมมวดี เมื่อพระลาณนาศีสิเดียเพี้ยนเสือเมือ่อกุตุมมะวดีแล้วสำเร็จพระสวสดาบาลเอกภพขี้แล้วมีพืชอนันเดียวสิ่จะเกิด อ, อีกสัตว์นึงพอนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าห้องเฮ่ามานีมันว่าท่านเป็นสองเดือนสามเดือนในสั้นดาวาดึงสัเรด้เดียวเนี่ย อันสองพันสี่รอยสองพันห้าร้อยยี่สิเกตนี่ยังมาท่านเป็นสองเดื อ, อนสมเดือนในีั้นดาววันหนึงสั่งได้ี่หรือในสั้นยุทธิชส่งได้เดี๋ยวนี้ผมบอกของสั่อร่กว่านี่หละเข้าเป็นเหตุเข้าพิกกะน้าอยู่แล้วพวกยาเพู่ยืนยันอันนี้เขามีแนวยืนยันอีกนึงขานี่ พระพุทธเจ้านั่นอยู่ในป่ามหาวัน์พร้อมพระเภษุอรหันตตาหาร่อยในครั้งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหนึ่งจักมีข้าวหนึ่งเรียกว่ามหาสมัยสูตรเพราะสูตรนั่นเป็นสูตรมหาสมัยาสากษัสีเจโรกัท่าตูสี สิบโลกกธาตุลกมาาวายพระหลหันหาลอยองนั่นพระอยากจะเห็นพระรหลังให้เขาสมาธิเนอะพรอยากเห็นพวกนั่นเขาสิว่าในไดโลกกธาตุนี่ยสิบเขาจะมาในโลกกธาตุสิบโลกกธาตุเนี่ถทาสุจโลกธาตุตูสุเดวตาสันนิปฏิตาตาทักตังทัศนายาเพ็ทูสังขัญใจอยากมาเห็นเอี อยากมาเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหนึ่งตองมีเถื่ยหนึ่งมหาสมัยสูตรเราจะเจ้าแต่ละองค์เสร็สุดเทวีส่วนจาริตาพระกวาโตะปุรต๊ปานตุาังสูขทุกขตาเทวตาพระขันตังวิวะติตัวเอกามันตังอัตังสูเอกามันตังธิตาโคเอกาเทวตาพระกวาโตสันติเกอมั่งฆ่าทั้งอาพาธิ เท่าสุดท้าวาจลงมาจะเอาวิหาอัตะปาสุทสัทสสีน่ะมาถามปัญหามากกราบเลี้ยนปัญหากระพุทธเจ้าเข้าอยู่บางข้าวพระพุทธเจ้าเข้าหายเลดไปข้าวหนึ่งขึ้นไปสุดท้าวอาจขึ้นไปจริงพระองค์เจ้าของชักแล้วท่านมาอยู่นี่นานขนาดไหนแต่ขั้งพระเจ้าวิปัสสีแต่ขั้งพระเจ้ากาัจจปะ เพราะละกามารมนด้แล้วไดาโทรสะรมนั้นแล้วพอมาอยู่ในที่นี้ห้อก่มนี้วแรกอีกวันหนึ่งอยู่หอบ่อร่มสนิทขันวัวสั่งพวกเลี้นขันผดผุมหนึ่งหลงจกเไปเลี้ยนมัทยมในค่่อื่นที่ก็เ่ี่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ สัปปีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สที่หาที่หกเจ้เปรียนเปรีญญาที่เปรียน้ำูนันเ็มันเสียบบที่บรทวาสีบาลีบนอ่างมีอยู่ฮนี่พวกสุทธาวาสหนึ่งจะปางไรผมยังสังสรรค์กับพระโคดมมองเหงาอยู่จะกลางพระพุทธเจ้าปางพระพุทธเจ้าวิปกัสโปกมีกูกูเซนทกกมี วิปัสสีเขานี่วิปัสสีจานุพโมนะเป็นสุทธาวาสใช่ไหท่านท่า น, นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในสุทธาวาสเนั่นเมื่อก็ะัำ ง, งานล่านในมนุษยโลกเขานี่มันยังสิเป็นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในวัตสุทธาวาสในสุทธาวาสให้หลวงสันว่าหลอกของขลงของมันต้องขวดเติมวัดทนหรือหลงสันอยู่พระพุทธเจ้าทำงาน เกี่ยวกับเรื่องแับนี้เขาระว่างสิเส้นบางคน้นก็ได้ให้ท่านตั้งแต่ครั้งพระเจ้าที่ปังกอ้อนผลแล้วก็ภาษาเรบุตรหมวกขล่ากับปาดชนาเป็นชาวเมืองสา้บางครั้ตั้งแต่ พระเจ้าที่พระเจ้า อ, นอนโนมาทัสสีผุดนั่นทำงานห่วมกันโยงกันก็เลยมาทำเร็จมาผลนิพลาดในศาสนาของพระโคดจมาเอ้านี่หลวง ป, ปู่จามเพลนว่าบ่เมีนนังซื้อเฮผิดสั่งเพนว่าท้าสวดาบันล็อกของพููนี้นจะต้องไปพภพุตเจ้าองค์นั้นวัดเพลนลุเพนว่าของสีหลวง ป, ปู่จาม แต่ข้างหางไม่รับอ่างอยู่อันนี้ข้าก็เลยนงมคันลงสนิทยืนยันโยงย่าแม่ก็ยืนยันโยงหลวงปู่ยศแม่พระพุทธเจ้ามีเป็นเครื่องอ่างอยู่พวกคุณไปสทาาสุดท้าวันเสด็สุดเทเวสุอันตระหิตาพระควาตวัปุระตปาตัลางศูนมาต์กาบทุ่นพระพุทธเจ้าซีบาทค่าทาน อัตโขตาเทสะตาพราะก้อนตังคือว่าเทตัวเอก็มันตังอาัธาสิเองก็มันตังที่ตาโขเองก็มันตังวันนั่งในที่สงขวดแกต่นตั ว, ตวมาถามปัญหากับพระ อ, องค์เจ้ามาการาบทู่นปัญหาอยู่นี่ลูกมากาบหวายพระ อ, องค์เจ้า นี่น้ำส่องพวกเจ้าขืนปสุทุดถวัดประถามเบงพระอมะอา า, อ า, าข้ามีพวกยุสันอวิหาก็มีพวกสันวิอาตปาก็มีพวกสันยุทัสสัสุชัสากามีพวกสั น, ากากสนยุทัสสุชัสีกามีพวกสันยุอันยิ ท, ทาายาาธาก็มีาอาณาข้ามีไม่หายจากพวกเด้อ <c oughs> ต้องไปเกิดในพุทธมโลกมัน พมโลกวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่อมนุษย์โลกข้อนี้มันมันต่างมาล้านผนโดยจักรศิษฐ์พ่อวันหนึ่งคืนนึ่มนคุณเราบอกของสันอรรถว่าพมลโลกพมลโลกพระอาานาคามีเ้อนี้เลยนักว่าพระพุทธเจ้าทำงานห่วมกันอยูว่วัดบ่างเงี้ย ก, กกเนี่ยพวกกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่คือ เป็นพระโสดาบันแล้วเดียวนี่กค้งศิษเป็นพระโสดาบันเอกก็พี่ขี่จะเกิดอีกทราบเดียวจะเกิด พ, พรพฤษยาเมตไตผุนเป็นแม่พฤษยาเมตไตหลักสิเขาสู้พนิพ่านพรพฤษยาเมตไตขันว่าแม่นี่ยสั่นมาไล่สูตรเฉพาเอาไปสูงถิมพวางทีเอาไว้ให้ยัง้งสัน่นซีผูกเสโจ ด, ดกันสัง่งธรรมา เราพ ร, ร, ระไตรปิฎกถือว่าท่านถ้าฟ่าเอาไไปสูงทิมมาวางสิาวางอย่าี้นะมาวางสิมาทำไมสูดมุ่นถ้าบขาเอาอยไปทุงซถิมมาแทงเอาอะความคิดวลางสิแล้วเอาฟังเป็นประมาณว่าไง <c oughs> <c oughs> การปฏิบัติหนิมีอา น, นิสงส์อยู่หลายประการหนึง่งว่าได้พระโสว่าได้พระละหันในปัจจุบันพวจากได้ในเวลาจักตายใกล้จักตายใกล้จักตายมันพี่จะน่าเห็นเก่าถูกนักเหละมันเลยถอนอุปท า, านมันเลยเบื่อศารอาดีตและอานาคตปัจจุบันเรียกว่าไ่ได้หัน ้ะเป็นนินสัยพระพระเจนจะกลับไปป่าชนะพ่อพระเจดคำว่าใดพ่อพระเจดพอพระพุทธเจ้าอ ง, งานามากระ บ, บาทข้าทาเดียวก็สําเร็จพระอะหันเหมือนพระผ้าหิยะธาลุกิริยะพ่ออันี่สองเนี่ปฏิบัติแล้วพุทธเจ้าเทศว่าเป็นเตสักวาลูเป็นเตสักวะเห็นแล้วเออพอแล้วครับไปเลย